วันนี้พวกเราก็ได้เข้ามาหาพระพุทธศาสนาการอีกข้างหนึ่งเข้ามาเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป้าหมายของการปฏิบัติการของการศึกษานี้ก็ เ, เพื่อพัฒนาจิตใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับใจเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับเราอย่างที่สุดถ้าได้รับการพัฒนาแต่ถ้าไม่ได้รับการพัฒนาพัฒนาก็จะ ไม่มีความสำคัญอย่างไรใจของเรานี้เป็นสิ่งเดียวในสากลละโลกที่ไม่มีเกิดไม่มีดับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดานี่คือความสำคัญของใจแต่ใจของเราจะ ให้สิ่งที่ดีก็คือให้ความสุขกับเรานั้นก็ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงพัฒนาถึงขั้นสูงสุดอย่างใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้รับการพัฒนาจน ายเป็นสิ่งที่วิเศษเลิศโลกเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเราจึงควรจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติอามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพราะ จะเป็นการพัฒนาจิตใจให้เป็นจิตที่เลิศที่ประเสริฐเหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายถ้าเป็นเพชรก็จะเป็นเพชรน้ำหนึ่งเพชรที่ได้รับการเจรนายจากช่างที่มีฝีมือที่ยอดเยี่ยมถ้าเป็นที่ดิน ก็เป็นที่ดินที่ได้รับการพัฒนามีการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆทําทให้ที่ดินกลายเป็นที่ดินที่มีคุณค่าออย่างมหาศาลแต่ถ้าไม่ได้รับการพัฒนาปล่อยปละละเลยไม่มีการดูแลรักษาก็จะเป็นเหมือนที่ทิ้งขยะ ไม่มีไม่มีความสำคัญไม่มีความน่าชื่นชมยินดีหรือถ้าเป็นเพชรที่ไม่ได้รับการเจียรไนก็จะเป็นก้อนหินธรรมดาก้อนหนึ่งเท่านั้นอันนี้แหละคือใจของพวกเราใจของพวกเราตอนนี้ ถ้าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับใจที่ถูกทอดทิ้งที่ไม่ให้ที่ไม่มีความสำคัญพวกเรามัวแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งที่ไม่สำคัญสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ประเสริฐสิ่งที่ไม่ได้ให้ความสุขอย่างถาวร กับเราเช่นพัฒนาเรื่องราบยศสรรเสริญพัฒนาเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลินกายจึงปล่อยให้จึงปล่อยปะละเลยไม่สนใจดูแลรักษาพัฒนาใจที่ที่ให้ความเลอเลิศที่ให้ความประเสริ ที่ให้ความสุขกับเราอย่างถาวรชีวิตของเราจึงมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความเดือเนื้อร้อนใจไม่ว่างเว้นมีอยู่แทบทุกเวลานาทีก็เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลรักษาใจทุกเวลานาทีนั่นเอง ปล่อยปากเล่เลยไปดูแลเรื่องที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ให้ความสุขแก่ใจแต่ให้โทษและให้ความทุกข์แก่ใจถ้าเราอยากจะให้ใจของเรานั้นเป็นเหมือนใจของพ่อพระเจ้าใจของพระอาลหาันตัสาวกทั้งหลายให้ใจของเราเป็นเหมือนเพชร น, น้ำหนึ่ง เราก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาให้กับการศึกษาพระธรรมวินัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างามักำคำคำเมันอย่างต่อเนื่องไม่ปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นไม่พัฒนาสิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะพัฒนาได้มากน้อยเพียงไรก็จะต้องเสื่อมไปตามกาลตามเวลาอยู่ดีเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ถาวร มีการเจริญและมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นอาณาจักรต่างๆในอดีตที่ผ่านมากรุงสุโ ข, ขทยัยกรุงศรีอยุธยาที่เคยรุง่งเรืองแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นสร้างปราลักหักพังไปอันนี้เป็นตัวอย่างของการพัฒนา ในสิ่งที่ไม่จรังทาวรไม่สามารถให้ความสุขกับผู้พัฒนาได้อย่างทาวรแต่การพัฒนาจิตใจนี้จะทำให้ผู้พัฒนาได้รับความสุขอย่างท้าวรได้รับความเจริญอย่างทาวรเเช่นใจของพพระพุทธเจ้า ใจของพระอาหาัภตสาบุกทั้งหลายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องจนพัฒนาถึงขั้นสูงสุดก็ไม่มีวันเสื่อมแม้จะสริละของพระองค์จะเสื่อมสลายหมดไปแล้วถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีแต่พระทัยของพระพุทธเจ้า ใจของพระอาหลานภาษสาวะทั้งหลายก็ยังเป็นปรมังสุขขังอยู่ในปัจจุบันนี้เพียงแต่ว่าพวกเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เท่านั้นเองแต่ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติใจให้เจริญถึงขีดสูงสุดแล้วจะรู้ความจริงอันนี้จะรู้ ถึงความสุขที่ถาวรความสุขที่เป็นปรมังสุขขังนี้จะไม่มีวันสูญสลายไม่มีวันเสื่อมหมดไปตามสังขารร่างกายนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับใจเพราะไม่มีอะไรที่จะให้ความสุข กับใจและไม่มีอะไรที่จะให้ความทุกข์อย่างแสนสาหัสให้กับใจถ้าใจได้รับการดูแลได้รับการพัฒนาก็จะให้ความสุขอย่างสูงสุดแก่ใจแต่ถ้าใจไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการดูแลก็จะให้ความทุกข์อย่างสูงสุดแก่ใจเช่นเดียวกัน ดังนั้นโอกาสที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่สอนให้เราพัฒนาจิตใจของเราเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้โอกาสอันดีอันเลินี้ผ่านไปเพราะนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏ ให้เป็นแสงสว่างนำทางแก่สัตว์โลกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีอายุไม่ยาวนานศา ส, สนานี้ก็ทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะมีอายุประมาณห้าพันปีหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่มีแสงสว่างนำทางให้แก่สัตว์โลกไปอีกเป็นกลับเป็นกัน ว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสัตรู้และมาประกาศพระธรรมคําสอนนําพาสัตว์โลกให้ไปสู่ความสุขและความเจริญที่ถาวร น, นําพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรและหน้าที่ของพระพุทธเจ้า แต่ละพระ อ, องค์นั้นก็มีเพียงแต่สั่งสอนมีแต่เพียงบอกทางให้เท่านั้นถ้าผู้ที่ได้สัมผัส ร, รับรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเป็นเรื่องของสองส่วนด้วยกัน ของผู้สอนและของผู้เรียนผู้สอนท่านก็ทําหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่แล้วท่านสั่งสอนทุกทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดเปลือกแล้วอยู่ที่ผู้ฟังผู้เรียนจะปฏิบัติตามหรือไม่ถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร ต้องปฏิบัติตามเท่านั้นถึงจะได้รับประโยชน์ถ้าฟังแล้วปล่อยให้ผ่านไปก็เหมือนกับเข้าหูเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปไม่ได้รับการพัฒนาใจไม่ได้รับการพัฒนาจากการฟังเพียงอย่างเดียวใจจะได้รับการพัฒนาก็ต่อเมื่อได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ มาควบคุมกำกับใจให้ใจนั้นไหลไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไหลไปก็คือให้คิดไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดนั่นเองก็ให้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบก็คือความเห็นชอบในกฎแห่งกรรม เห็นว่าทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วทำบุญก็จะได้สวรรค์ทำบาปก็จะได้นรกถ้าทำตามความโลภความโกรธความหลงก็จะได้การเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าฝืนถ้าหยุดความโลภความโกรธความหลงได้หยุดความอยากต่างๆได้เช่นการมรรปัญหาภาวะตัญหาวิภวะปัญหาได้ก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้อันนี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือ เราต้องเห็นว่าการทำบุญการทำความดีเป็นประโยชน์แก่ใจของเรานำสวรรค์คือความสุขมาให้แก่ใจการกระทำบาปเป็นการกระทำที่เป็นโทษกับใจทำให้ความทำให้ใจมีความทุกข์เป็นนรกนรกก็คือความทุกข์ใจนี่เองแล้วก็ถ้า ปล่อยให้ใจทําตามความอยากต่างๆทาตามความยความโลภความโกรธควา ม, วามหลงก็จะพาให้ใจต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารในวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรามีความเห็นทุกที่ถูกต้องเหล่านี้แล้ว เราก็จะมีการกระทําที่ถูกต้องเช่นเราก็จะทําบุญกันเพราะเราเห็นว่าทำแล้วทำให้เรามีความสุขใจใจเป็นสวรรค์ขึ้นมาแล้วเราก็ละเว้นจากการกระทําบาปกันเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปด เจ็บสุรายามาโกหกหลอกรวงและอบายามุกต่างๆเช่นการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนพบคนชั่วเป็นนิดมีความเกียดค้านการกระทำเหล่านี้เป็นการพนันที่จะนำความทุกข์มาให้แก่ผู้กระทำเราก็ต้องหลิกเลี่ยงการกระทำต่างๆเหล่านี้ แล้วก็มาต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงต่อสู้กับความอยากต่างๆเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา และเป็นเหตุที่จะทำให้ใจต้องเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ต่อไปอย่างไม่มีวันหมดสิ้นการที่เราจะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ก็ต้องมีกำลังใจจะต้องมีธรรมะที่จะ ทำให้ใจนี้มีกำลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆได้กำลังอันแรกก็คือสติการมีสตินี้จะทำให้สามารถควบคุมความคิดต่างๆได้ถ้าควบคุมความคิดต่างๆได้ก็จะควบคุมความอยากความโลภได้ ว่าความโลภความอยากต่างๆก็เกิดจากความคิดหรือใช้ความคิดอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือนั so ่นเองเวลาคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งความโลภก็จะเกิดขึ้นมาได้คิดถึงลาบก็จะทำให้เกิดความโลภอยากได้ลาบคิดถึงยศก็จะทำให้เกิดความโลภอยากได้ยศคิดถึงสรรเสริญ ก็อยากจะให้เกิดก็อยากจะได้สรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลดโภัพพ์ชนิดต่างๆก็จะทำให้เกิดความโลภอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ชนิดต่างๆมาเสพแต่ถ้าควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงลาบยศสรรเสริญไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑได้ ความโลภความอยากได้าดลาภยศสรรเสริญความอยากได้ลูกเสียงกลิ่นรสผลตภะก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเช่นถ้าเราสามารถบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับโอกาสที่จะไปคิดถึงเรื่องาลาภยศสรรเสริญเรื่องลูกเสียงกลิ่นรสผลตภะก็จะไม่มี เมื่อไม่มีความโลภอยากได้สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีเมื่อไม่มีความโลภไม่มีความอยากใจก็จะมีความอิ่มมีความพอเพราะสาเหตุของความหิวของความไม่อิ่มไม่พอนั้นก็คือความโลภและความอยากนั่นเองใจถ้าไม่มีความโลภไม่มีความอยากใจก็จะมีความสงบมีความอิ่มมีความพอ ถ้ามีความโลภมีความอยากใจก็จะไม่สงบไม่อิ่มไม่พอดังนั้นการเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดนี้ก็จะเป็นการตัดทางเดินของความโลภของความอยากยาต่างๆแต่ยังไม่ได้เป็นการทําลายความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปอย่างท้าวอ เวลาใดที่มีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเวลานั้นความโลภความอยากก็จะไม่สามารถทำงานได้ในเวลาใดที่เผลอปล่อยให้คิดไปในทางความโลภความอยากความโลภความอยากก็จะผุดขึ้นมาใหม่ดังนั้นการเจริญสติเพียงอย่างเดียวนี้จึงยังไม่พอเพียงต่อการกาจัด ความโลภความโกรธความหลงการเจริญสตินี้ทำให้ใจมีความสงบเรียกว่าสมาธิเวลาใจสงบใจก็หยุดคิดปรุงแต่งไม่คิดถึงเรื่องราบยศสรรเสริญไม่คิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่า ง, างเวลานั้นใจก็จะมีความสงบมีความอิ่มมีความพอเพราะเวลานั้น ความโลภความอยากไม่ได้ทำงานทำงานไม่ได้เพราะไม่มีความคิดความคิดหยุดทำงานชั่วข่าวความโลภความอยากก็ต้องหยุดทำงานชั่วข่าวแต่เวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่ควบคุมความคิดต่อปล่อยให้ความคิดคิดไปตามเรื่องที่เคยคิดมาก่อนเคยคิดถึงเรื่องราบยศสรรเสริญ คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผทฐะพอกลับไปคิดถึงเรื่องเหล่านั้นก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่อย่างนั้นขั้นต่อไปหลังจากที่ได้สมาธิแล้วเวลเอาออกจากสมาธิก็มีการทําได้สองขั้นตอนด้วยกันจะกลับไปทําแบบขั้นตอนแรกก็คือบริกรรมพุทธโธพุทธโธต่อก็ได้ ก็เป็นการเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดต่อไปแต่เป็นการคบเป็นการควบคุมความคิดที่ไม่ถาวรเวลาใดที่ไม่ควบคุมความคิดความคิดนั้นก็จะหววนกลับไปคิดในทางของความโลภของความอยากอีกถ้าอยากจะควบคุมความคิดหรือเปลี่ยนความคิดให้คิด ไม่คิดไปในทางความโลภความอยากอย่างถาวรก็จะต้องเจริญปัญญาเจริญปัญญาที่จะทําให้จิตเห็นว่าการคิดไปในทางความโลภความอยากนั้นเป็นการคิดทําลายตนเองเป็นเหมือนกับกรอกยาฟิตใส่ใส่ปากของตนเองหรือเอามีดแหลมคมมาทิ่มแทง ร่างกายของตนเองเป็นการทำร้ายตนเองการที่จะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นมาก่อนก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกที่เห็นความอยากความโลภนี้ว่าเป็นเหมือนกับยาพิษเหมือนกับมีดแหลมคมที่ เอาที่เราเอามาทิ่มแทงตัวเราเอายาพิษมากรอกใส่ปากเราถ้าเราเห็นโทษของความโลภของความอยากว่าเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราสร้างความเสียใจให้กับเราสร้างความว้าวุ่นกุ่นมัวให้กับเราเราก็จะไม่คิดไปในทางความอยาก คิดไปในทางความโลภต่อไปถ้าเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าความโลภความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจเพราะว่าสิ่งที่โลภอยากได้นั้นจะไม่สามารถให้ความสมใจปาฏณาาได้เพราะว่าไม่แน่นอน อยากจะได้อะไรเวลาเกิดความอยากแล้วใจก็มีความวิตกกังวลกัง ว, วลก ว, วายกระสับกระส่ายเพราะไม่แน่ใจว่าจะได้สิ่งที่อยากได้มาหรือไม่อันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแล้วทั้งๆ ท, ง ท, งที่ยังไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่อยากจะได้เท่านั้นเช่นอยากจะได้ลาบอยากได้ยศ อยากจะได้สรรเสริญอยากจะได้รูปเสียงกิ่นรสพธตภะเพราะเกิดความอยากขึ้นมาใจก็มีความกังวลกวายกระสับกระสายเพราะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอนิจจังนั่นเองก็คือไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้ถ้าแน่นอนก็จะไม่มีความกระสับกระสายกังวลกวาย ถ้าอยากจะได้อะไรแล้วได้ดังใจมันก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าเขาในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเวลาอยากได้ก็ไม่ก็ไม่มีความสุขใจแล้วมีความกังวลกังวแล้วพอได้มาก็มีความ ก, กาังวลกวลยีเพราะไม่แน่ใจว่าจะอยู่กับเราไปอีกนานสักเท่าไหร่เพราะเราก็รู้อยู่ว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่แน่นอนกันจากความรู้นี้มันไม่มีกำลังมากพอที่จะหยุดความหลงที่ทำให้เกิดความอยากได้สิ่งต่างๆแต่รู้ว่ามันไม่แน่นอนแต่ก็ยังไม่ยอมไม่ยอมหยุดความอยากยังอยากจะได้อยากจะได้ลาบก็ยังรู้ว่าไม่แน่นอนเช่นคนที่รอแทงลอตเตอรี่วันหวยออก วันนั้นก็จะกระวนกระวายกระสับกระสายเพราะไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกแทงลอตเตอรี่แล้วจะถูกลอตเตอรี่หรือไม่ก็นั่งรอดูผลกันเวลานั้นใจก็กระวนกระวายกระสับกระสายพอได้มาแล้วก็มีความกังวลขึ้นอีกแบบหนึ่งว่าเงินที่ได้มานี้จะรักษาอยู่กับเรา ไปได้ตลอดหรืไม่จะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันใจอยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดแต่อีกใจหนึ่งก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะเคยเห็นคนที่ได้มาแล้วสูญเสียไปหมดเนื้อหมดตัวอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้ใจของเราทุกข์ทุกข์เพราะว่าใจไปอยากในสิ่งที่ไม่แน่นอนนั่นเอง ก็อยากในสิ่งที่เราไม่สามารถสั่งมันได้สั่งให้มันแน่นอนได้เช่นอยากจะได้เงินก้อนหนึ่งก็จะได้ทันทีอยากจะได้ตำแหน่งก็ได้ทันทีสั่งไม่ได้สั่งแล้วบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ได้มาแล้วก็สั่งให้อยู่กับเราไปตลอดอีกก็ไม่ได้เหมือนกันจะจากเราไปเมื่อไหร่เรือเราจะจากเขาไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเราสั่งเขาไม่ได้ นี่แหละจึงทําให้ใจของเรามีความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเพราะใจเราก็อยากกับในสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ไปอยากในสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองนี่ถ้าเราเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่เราจะสั่งให้เป็นไปาตามความอยากของเราได้เสมอไปเราก็จะ ไม่อยากเพราะเรารู้ว่าเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้นี่มีความวุ่นวายใจขนาดไหนเวลาอยากได้อะไร้วไม่ได้นี้เสียใจขนาดไหนอันนี้แหละคือปัญญาถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากได้นี่มันไม่เที่ยงเราสั่งมันไม่ได้มันทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็เหมือนกับการเอามีดมาทิ่มแทงตัวเรานี้เองเราก็จะหยุดใช้มีดมาทิ่มแทงใจทิ่มแทงตัวเราเราก็จะหยุดความอยากปล่อยให้มันเป็นไปตามมีตามเกิดจะเกิดก็เกิดจะไม่เกิดก็ไม่เกิดเช่นลาบยศสรรเสริญจะมีก็มีจะไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะอยู่กับเราก็อยู่ไปจะจากเราไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไร นี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของป้าอาหลานตสาวกทั้งหลายท่านก็ยังสัมผัสกับลาบยศสรรเสริญสัมผัสกับลูปเสียงเกลิ่นรสผลตภะเหมือนกับบุตุชนทั่วๆไปเพียงแต่ว่าใจของท่านมีปัญญาใจของท่านไม่อยากกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงเกลิ่นรสผลตภะไม่ว่าจะอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปหรืออยากไม่ให้ไป อยากได้หรืออยากไม่ให้ไปจะไม่มีในใจของผู้ที่มีปัญญาแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาเช่นปุถุชนอย่างพวกเหล่านี้จะอดไม่ได้ที่จะมีความอยากอยากให้ราบยศสมรสมามากๆอยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้จากเราไปแต่เราไปสั่งเขาไม่ได้เวลาเขาไม่มาก็เสียใจ เวลามาน้อยก็ผิดหวังเวลาจากไปก็เสียออกเสียใจอันนี้แหละคือการที่ไม่มีปัญญาที่เรียกว่าอวิชชาโมหะมองไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าอ น, นิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอนัตตาคือไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ พอเกิดความอยากในสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าพิจารณาอย่างนี้อย่างต่อเ น, นื่องเวลาเกิดความอยากที่ไรปัญญาก็จะมารั ง, งับทันทีจะมาสอนใจมาเตือนใจว่ากำลังเอามีดมาทิ่มแทงตนเองกำลังกรอกยาพิษใส่ปากตนเองเพอเห็นอย่างนี้ก็ถอยดีกว่าหยุดดีกว่า เอาแบบมาก็ดีไม่มาก็ดีดีกว่าถ้ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทำใจเป็นกลางกลาไว้เช่นเวลาออกบินทบาตก็ทำใจเป็นกลางกลางได้อะไรมาก็เอาอย่างนั้นแหละอย่าไปอยากได้อันนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้แล้วก็จะเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังขึ้นมา มีอะไรก็ต้องทำใจเตรียมใจรับกับการพัดผาาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกบาทจีวรกุฏิที่อยู่อาศัยหรือสรรเสริญนาบสกาละก็ต้องคอยทำใจอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่มาก็ได้อาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้ ผู้ที่มีปัญญาจะไม่หลงยึดติดกับลาบยศดสรรเสริญไม่ไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ยึดติดกับบุคคลต่างๆเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขอังอนตตานี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้ายังเจริญปัญญาไม่เป็นพิจารณาไม่เป็น ก็ต้องจเจริญสติต่อไปก่อนต้องควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยากเหมือนกับตอนที่เริ่มต้นภาวนาอย่างน้อยก็จะได้รักษาสมาธิไว้ไม่ให้เสื่อมถ้าปล่อยให้ใจคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นนนนนไปแล้เดี๋ยวก็จะไม่มีกำลังที่จะควบคุมความคิดให้เข้าสู่ความสงบได้ อย่างที่หลวงตาท่านเคยเป็นมาท่านเล่าให้ฟังท่านเคยได้สมาธิท่านควบคุมใจให้บริกรรมพุทโธได้อย่างต่อเนื่องท่านก็เข้าสมาธิได้แต่พอหลังออกจากสมาธิมานี้ท่านหยุดควบคุมท่านไม่บริกรรมพุทโธต่อท่านเอาใจมาคิดเรื่องทำกฎเสียใจก็คิดอยู่กับเรื่องของการทำกฎเลยไม่ได้มีการบริกรรมพุทโธพุทโธ ควบคุมใจไปปล่อยให้ใจอยากอยู่กับเรื่องของการทำกฎพอทำกฎเสร็จแล้วพอจะมาทำสมาธิให้ใจสงบใหม่มันไม่สงบเสียแล้วมันไม่เข้าไปสู่ความสงบแล้วเพราะไม่ได้บริกรรมพุทธโธเพราะมีแต่ความอยากให้มันสงบเวลานั่งสมาธิก็ไม่บริกรรมพุทธโธหรือพุทธโธก็ไม่ต่อเนื่อ พูโทแล้วก็แวะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอไม่สงบก็เกิดความอยากพอคิดถึงความอยากมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งวุ่นวายมากขึ้นในทําให้ใจไม่สงบนี่คือการนี้สาหรับผู้ที่ได้สมาธิแล้วไม่รู้จักรักษาสมาธิถ้าได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิมาก็ต้องควบคุมใจต่อไป อย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องลาบยศสรรเสริญเพราะถ้าปล่อยให้คิดแล้วเดี๋ยวเกิดความโลภความอยากมันก็จะพาให้ใจไปแสวงหาราบยศสรรเสริญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะพัวพันกันไปต่อเนื่องกันไปจนเลยลืมเรื่องของการเจริญสติไปลืมเรื่องของการบริกรรมพุทโธพุทโธไป พอเวลาจะมานั่งสมาธิทีนี้นั่งยังไงก็ไม่สงบเสียแล้วเพราะใจไม่สามารถอยู่กับพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเมื่อกตอนแรกที่เข้าสมาธิได้ตอนนั้นที่เข้าได้ก็เพราะว่าใจไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอย่างอื่นมีใครมีความจดจ่ออยู่กับการบริกรรมพุทธโธพุทธโธเพียงอย่างเดียวดังนั้นผู้ที่ปฏิบัต ถ้าต้องการรักษาสมาธิที่ได้แล้วก็อย่างน้อยออกจากสมาธิมาก็ต้องบริกรรมพุทธโธ ต, ต่อต้องเจริญสติต่ออย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงเวลานั่งสมาธิก็นั่งแล้วก็เข้าสู่สมาธิได้ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดอยู่แล้วถ้าอยากจะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นปัญญา เวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องบังคับให้ใจคิดไปในทางปัญญาสอนใจให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่ภายใต้คาสั่งถ้าอยากแล้วถ้าไปอยากกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปอยากกับสิ่งที่ไม่สามารถสั่งเขาได้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ต้องพิจารณาให้เห็นว่าลาบยศเสริญเลืกเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีมามีไปมีเจริญมีเสื่อมควบคุมบังคับไม่ได้เวลาจะให้เขาเจริญถ้าเขาไม่เจริญเขาก็ไม่เจริญเวลาเขาเสื่อมจะไม่ให้เขาเสื่อมก็ห้ามเขาไม่ได้ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจงเห็นว่ามันเป็นอนัตตา แล้วก็จะเห็นว่าเวลาไปอยากให้เขาเวลาไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาเ<ม>พราะไม่มีความมั่นใจว่าจะได้อย่างที่อยากจะได้หรือไม่เช่นอยากจะได้ตำแหน่งเช่นตอนนี้มีการโยกย้ายข้าราชการกันข้ า, ขาราชการที่อยากจะได้ตำแ ห, หน่งนั้นตำแหน่งนี้ก็จะมีความวุ่นวาย กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนว่าอยากจะได้ตำอย่างนี้ก็จะได้เลยอย่างนี้ก็จะไม่ก็จะไม่มีความทุกข์ใจอยากจะได้อะไรก็ได้เลยมันก็สบายแต่โลกนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราอยากได้กันปรารถนากันมันไม่ได้ดังใจที่เราอยากเสมอไป เวลาที่อยากได้เราได้นี้มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นของบางอย่างเราอยากได้หลายก็เราก็ได้ทันทีเช่นเราอยากจะซื้อกาแฟเรามีเงินเราไปซื้อมาก็ได้ทันทีเราก็ไม่มีความวกังวลกังวายแต่ถ้าเราอยากจะไปซื้อไอ o ฟ e เครื่องใหม่เราก็ต้องไปยืนเข้าแถวเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ พอถึงคิวเราไอโฟนนั่นก็อาจจะขายหมดแล้วก็ได้อันนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากระวนกระวายใจขึ้นมาถ้าไปอยากในสิ่งที่มันไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนมันก็จะไม่เป็นปัญหาเลยแต่สิ่งที่แน่นอนบางทีมันก็พลิกเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนได้เช่นคนที่ใกล้ชิดเราเราคิดว่าเป็นของตายวันดีคืนดีเขาเกิดเป็นขึ้นมาเขาพลิกขึ้นมา เคยสั่งได้เดี๋ยวนี้กลับสั่งไม่ได้เวลานั้นก็จะกายเป็นความทุกข์ขึ้นมหม่เคยสั่งคนใกล้ชิดให้ทําอย่างนั้นทำอย่างนี้นนเขาก็ทําตามทุกอย่างพอวันดีขึ้นดีเ้าเกิดไม่ทําตามที่เราสั่งตอนนั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญญาเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเรามาสัมผัสรับรูบร้ ให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ได้นแล้วใจของเราจะได้ไม่ไปอยากกับเขาแต่ถ้ายังอยากก็อยู่กับเขาได้อยู่ตามมีตามเกิดถ้าเขาจะให้เราก็รับไว้ถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่เสียใจเพราะเราไม่ได้อยากจะได้อะไรจากเขาอันนี้เป็นการตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไป ส่วนความอยากในการอารมณ์อันนี้เราก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามเพราเวลาที่เราเอาเห็นร่างกายที่สวยงามเราก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะดับการอารมณ์เราก็นองมองในส่วนที่ไม่สวยงามเช่นถ้าหนังถ้าถ้าเห็นหนังว่าสวยงามเราก็ต้องนองตอนที่หนังมัน ไม่สวยงามตอนที่มันเหี่ยวมันย่นตอนที่มันเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นแผลอย่างนี้อหรือมองในตอนที่มันขึ้นอืดพองขึ้นมาถ้าเรามองส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายได้เราก็จะดับการอารมณ์ได้ถ้าเราดับการอารมณ์ไม่ได้เราก็อยู่คนเดียวไม่ได้เราก็ต้องไปหาคู่ครอง พอมีคู่ครองเราก็ต้องมาห่วงใยมาทุกข์กับคู่ครองอกีกแต่ถ้าเราดับการมารมได้เราก็อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมาทุกข์กับคู่ครองไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาทะเลาะกันอันนี้เป็นการตัดการมารมต้องตัดด้วยการพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงาม ที่เรียกว่าอาสุภะหอพิจารณาส่วนที่สกปรกร่างกายที่แสสวยงามนี้ก็มีส่วนที่สกปรกมีการขับถ่ายออกมาอยู่ทุกวันอันนี้ไม่มองกันมองแต่ส่วนที่สวยงามก็เลยทําให้เกิดความอยากพอเกิดความอยากเกิดการอารมณ์ก็จะอยู่คนเดียวไม่ได้เวลาอยู่คนเดียวจะรู้สึกว่าวเวเศร้าสรอยหงอยเหงา แต่เวลาได้อยู่กับคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยก็จะต้องมาห่วงใหญ่กันมาห่วงกันแล้วก็มากังวลกันเพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่กับเราไปนานสักเท่าไหร่เขาจะจากเราไปเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่อันนี้เราไม่รู้เพราะเขาก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเขาก็เป็นอันนี้จริงเหมือนกัน ถ้าเรามองว่าเขาเป็นอนี้จังมองว่าเขาเป็นอสุภะมองว่าเขาเป็นอนัตตาเราก็จะไม่มีกามอามไม่มีความอยากที่จะอยู่กับเขาเราก็จะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายการอยู่คนเดียวนี่แสนจะสบายถ้าใจไม่มีความอยากที่อยู่คนเดียวแล้วมีความทุกข์ก็เพราะความอยากนี่เอง อยากอยู่กับคนนั้นอยากอยู่กับคนนี้อยากมีสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้พอไม่มีใจก็ไม่สบายใจก็หงุดหงิดแต่ถ้าควบคุมใจให้สงบได้หรือสอนใจด้วยปัญญาให้ตัดความอยากได้ความหงุดหียดความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปจะหมดไปแล้วจะอยู่กับความสงบ จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้รับจากการอยู่กับผู้อื่นต่อไปก็จะไม่อยากจะอยู่กับใครอยู่คนเดียวนี่แสนจะสุขพอต้องอยู่กับผู้อื่นแล้วมันก็จะมาทำลายความสุขที่ได้จากการอยู่คนเดียวเพราะก็จะต้องมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะ คนที่อยู่ด้วยเขายังมีความอยากอยู่เขายังอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เขาหาไม่ได้ด้วยตัวเขาเองเขาก็จะมารบกวนให้เราหาให้เขาพอเราหาไม่ไม่หาให้เขาเขาก็โกรธเราไม่ชอบเราเขาก็จะไม่อยากอยู่กับเราพอเขาไม่อยู่กับเราเราก็เสียใจยเราก็เหงาเศร้าๆๆ้อยนอยเหงาเลยเราก็ต้องทนทำตามความอยากของเขา อันนี้แหละเป็นการสร้างความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมีคู่ครองอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นราบยศสารเสริญเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะพวกเราทุกวันนี้เราก็ทุกข์อยู่กับเรื่องเหล่านี้เท่านั้นเองไม่ได้ทุกข์กับเรื่องอะไรก็เพราะเราขาดปัญญาไม่มีปัญญา แลื้อไม่มีสมาธิการที่จะมีปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธินี้ใจจะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้เพราะจะถูกความอยากคอยลุมเล้าอยู่ตลอดเวลาอยากได้สิ่งนั่นอยากได้สิ่งนี้อยากไปที่นั่นอยากมาที่นี่เราเกิดความอยากแล้วปัญญานี้ทำงานไม่ได้เลยเพราะมันถูกความอยากบีบคั้นเอาไว้ก็ต้องทาตาม ความอยากทันทีแต่ถ้ามีสมาธิเวลามีความอยากก็ยังพอมีกำลังที่จะคิดไปในทางปัญญาได้เพราะใจไม่ได้หิวโหยถึงขนาดที่จะต้องทำตามคำสั่งของความอยากทันทีทันใดใจที่มีสมาธินี้เหมือนกับคนที่มีอาหารรองท้องอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้กินอาหารเพิ่มก็ยังพอทนอยู่ได้ คนที่ไม่มีสมาธินี่เหมือนกับคนที่ไม่มีอาหารรองท้องหิวโหวยพออยากกินอะไรต้องคว้ามากเลยไม่คิดว่าจะเป็นยาพิษแล้วไม่เป็นยาพิษขอกินนึงให้ไปก่อนพอกินเข้าไปแล้วถึงจะรู้ว่าเป็นยาพิษแต่ตอนนั้นมันก็สายเสียแล้วพอเห็นอะไรอยากได้ปั๊บก็คว้ามาเลยหรืออยากทันทีพออยากปั๊บก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที อันนี้แหละคือเรื่องของการดูแลใจพัฒนาใจต้องพัฒนาด้วยสติสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาเพราะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติใจก็จะไม่สงบเมื่อใจไม่สงบนี้ก็จะไม่มีกําลังที่จะพิจารณาทางปัญญาเพื่อที่จะดับความอยากต่างๆได้ จึงต้องพยายามเจริญสติกันให้มากๆการเจริญสตินี้เราสามารถเจริญได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีใครมาห้ามไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้จะให้บริกรรมพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยทำอะไรก็ทำได้บริกรรมพุทโธควบคู่กันไปได้อาบน้ำก็บริกรรมพุทโธได้แปรงฟันก็บริกรรมพุทโธได้ล้างหน the ้าก็บริกรรมพุทโธได้ แต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปทำงานทำภารกิจอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็บริการพุทธโธได้แต่ถ้าต้องทำธุระอะไรที่ต้องใช้ความคิดตอนนั้นก็หยุดบริการพุทธโธไปชั่วคราวแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าไปทำธุระที่ไม่จำเป็นอย่าต้องทำอย่าไปทำธุระของกิเลสตัณหาคือความอยากเช่นธุระเตรียมตัวจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่นั่นที่นี่อันนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นธุระที่จำเป็นธุระที่จำเป็นก็คือธุระเกี่ยวกับการดำรงชีพเกี่ยวกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้เป็นธุระที่จาเป็นที่จะต้องทำแม้แต่พระก็ต้องทาเช่นบินทบาทอันนี้ก็เป็นธุระของนักบวชทำมาเลี้ยงชีพของนักบวชก็คือการบินทบาท ขณะที่บินทบาลก็สามารถที่บริกา ร, รพุทธโธพุทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องเวลากลับมาจากการบินทบาลจากอาหารใส่บาตรก็บริกรรพุทธโธพุทธโธได้เพราะไม่ต้องใช้ความคิดมาดังนั้นต้องควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้คิดไปในทางความอยากความโลภต่างๆแล้วใจก็จะว่างใจก็จะเย็น พอเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายพอได้สมาธิแล้วก็ต้องพยายามรักษาสมาธินี้ให้มั่นคงให้ชำนาญจนสามารถเข้าออกสมาธิได้ตลอดเวลาอยากจะนั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็นั่งปั๊บก็เข้าได้เลยอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นมีความชำนาญในการเข้าออกนสมาธิ อย่าไปกลัวว่าจะติดสมาธิยังไม่ได้สมาธิจะไปติดสมาธิอย่างไรการติดสมาธินี้หมายถึงว่ามีความชนานาญในสมาธิแล้วแต่ไม่ออกไปทางปัญญาออกจากสมาธิมาก็มาเจริญสติบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวต่อไปอย่างนี้ยังเรียกว่าติดสมาธิถ้ามีความชำนาญแล้วสามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายแล้วทีนี้ ก็ไปทางปัญญาได้ไม่ต้องกลัวว่าจะกลับเข้าสมาธิไม่ได้เพราะเรามีความจานาเรารู้จักวิธีเข้าแล้วไม่ต้องบริกรรมพุทโธก็ได้ถ้าชํานานแล้วเพียงแต่กําหนดจิตให้หยุดคิดเหมือนก็ยจะสงบแล้วถ้าได้สมาธิแบบนั้นนะทีนี้ก็ต้องบังคับให้ออกทางปัญญาแล้วต้องให้พิ จ, จารณาลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาร่างกายเมตนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนัตตาพิจารณาร่างกายว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามมีอาการสามสิบสองมีสิ่งที่น่าเกลียดมีสิ่งที่สกปรปกขยะขยะมีอยู่ภายในร่างกายเวลาตายไปก็ยิ่งไม่น่าดูอย่าง นี่คือการพิจารณาร่างกายพิจารณาว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากธาตุสี่ในรูปของอาหารชนิดต่างๆอาหารทุกชนิดนี้มาจากดินน้ำลมไฟเทนั้นเมื่อเข้ามาร่างกายก็ามาแปลงเป็นผมขนและฝันแปลงเป็นอาการสามสิบสองก็เป็นดินน้ำลมไฟอีกรูปแบบหนึ่งพอเวลาร่างกายนี้ตายไป มันก็แปลงกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปน้ําก็แยกออกไปลมก็แยกออกไปไฟก็แยกออกไปเหลืออยู่ส่วนที่แข็งต่อไปก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปอันนี้ต้องพิจารณาให้เห็นเพื่อจะได้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราระความหลงที่เห็นว่าร่างกายนี้สวยงามทำให้เกิดการอารมณ์ต่างๆขึ้นมา นี่คือเรื่องของการพิจารณาปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงยึดติดอยู่ไปทุกอยู่กับราบยศสารเสรินทุกอยู่กับกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ต้องเข้าไปพิจารณาสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตว่าก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันธรรมารุมต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปในจิตก็เป็นธรรมารุมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน จิตนาจะไม่มีอะไรหลงเหลือจิตเข้าใจปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดหมดแล้วจิตก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆที่จิตมารับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยจิตก็จะไม่มีความทุกข์จิตก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดมีแต่พลังงสุขข็งไปอย่างไม่มีวันเช่นสุดอันนี้แหละคือ ผลที่จะได้รับจากการพัฒนาจิตใจคือปรมังสุขขังความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาผสมปนปนอยู่ด้วยเป็นความสุขที่บอยสุดไม่เหมือนกับความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นใจที่มีความทุกข์มา มาผสมอยู่เสมอสุขต้นแต่ทุกปลายเวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปก็เสียอกเสียใจดังนั้นเราต้องบังคับตัวเราเองผักดันตัวเราเองให้ทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใ จ, จของเราให้กับการพัฒนาจิตใ จ, จของเราด้วยการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติ ได้ยินได้ฟังวิธีการของการพัฒนาแล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติตัดภารกิจการงานต่างๆที่ไม่จําเป็นออกไปคือภารกิจรับใช้กิเลสตัณหานี้ตัดออกไปเอาแต่ภารกิจรับใช้ร่างกายคือทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้ยังต้องยังจําเป็นจะต้องทําอยู่แต่ไม่ต้องไปทําตามกิเลสตัณหา ที่สั่งให้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่สั่งให้ไปดูสั่งให้ไปฟังสั่งให้ไปดื่มไปรับประทานที่ไม่จาเป็นจะต้องดื่มไม่จาเป็นจะต้องรับประทานสั่งให้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จาเป็นจะต้องมีต้องตัดภารกิจเหล่านี้ไปเพื่อเราจะได้มีเวลามาบําเพ็ญกันมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าถ้าเราไม่จัดการกับเวลาของเราใหม่ เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมหรือมีก็มีน้อยมากมีอย่างที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่นี้เท่านั้นเองจะไม่สามารถมีเพิ่มมากไปกว่า น, นี้ได้ถ้าเราไม่มาบริหารจัดการเวลาของเราใหม่เราต้องถามแล้วว่ากิจกรรมอันนี้จาเป็นหรือไม่ไม่จาเป็นตัดทิ้งไปอันนี้จาเป็นหรือไม่ไม่จาเป็นตัดทิ้งไป อันนี้จาเป็น เ, เก็บเอาไว้ก่อนต้องทำอย่างนี้ต้องมาเช็คลายการเลยวันหนึ่งเรามียี่บสี่ชั่วโมงเราใช้เวลายีบสี่ชั่วโมงนี้ไปกับภารกิจอะไรบ้างอันไหนไม่สำคัญไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับการคองชีพดําลงทีพตัดไปตัดไปอันไหนที่เกี่ยวกับกิเลสตัณหาตัดไปตัดไปแล้วทีนี้ก็จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นที่จะได้เอามาใช้กับการศึกษากับการปฏิบัติ พอมีเวลามากขึ้นศึกษามากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นผลก็จะปรากฏมากขึ้นมาตามลําดับและพอมเกิดผลขึ้นมามากก็จะเกิดศรัทธานี่ก่อฉันทภิริยาเกิดความยินดีกับความอุตสาหา่ความขยันที่จะปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นแล้วในที่สุดก็จะปรับรูปแบบของการกินอยู่ใหม่ปรับรูปแบบของการทำมาหากินใหม่ เช่นเป็นคารวาสก็มาเป็นพระเสียอันนี้ก็เป็นการปรับรูปแบบของการทำมาหากินใหม่จากที่จะต้องไปทำมาหากินทำงานต่างๆก็มาบวชแล้วก็มาทำมาหากินแบบพระทีนี้ก็จะมีเวลาที่ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้ามีเวลาอย่างนี้แล้วปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างนี้ก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพยากรณ์ไว้ว่า ไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากแต่ถ้ามีความสามารถมากมีมีปัญญามีความรู้ความฉลาดมากมีความขยันมากมีกิเลทน้อยมีอุปสรรคน้อยมีสิ่งคอยกีดขวางน้อยเจ็ดวันก็สามารถบรรลุได้อันนี้อยู่ที่ตัวเราที่เราจะต้องบริหารจัดการเวลาของเราอย่าให้เกเรตันหาเอาเวลาของเราไปหมด ถ้าเราไม่จัดการเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นนิสัยทำอะไรแล้วมันก็จะปิด น, นิสัยถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนิสัยเราก็ต้องใช้เหตุผลเข้ามาใช้เหตุผลว่าทำอันนี้แล้วเกิดคุณหรือเกิดโทษเกิดโทษก็อย่าทำมันเกิดโทษกับจิตใจเกิดคุณกับกิเลสนี่อยากไปทำต้องทากิจกรรมที่เกิด คุณกับใจแล้วเกับโทษกับกิเลสอย่างนี้ถึงจะทำถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะมีเวลาที่เราจะได้เอามาปฏิบัติเอามาเจรณ า, าใจของเราให้กลายเป็นเพชรงั้มหนึ่งขึ้นมาให้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานเขาก็ทาอย่างนี้กันทั้งนั้นเขาก็เป็นเหมือนเรามาก่อนเขาก็มีภารกิจมีอะไรต่างๆเหมือนเราทุกอย่างแต่เขามีศรัทธา ความเชื่อมีความปรารถนาอยากได้มากผลผนิพพานเขาจึงต้องบังคับตัวของเขาเองให้มาพิจารณามาแยกแยะว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแล้วก็ตัดสิ่งที่เป็นโทษไปเก็บแต่สิ่งที่เป็นคุณไว้แล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นคุณที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปจนในที่สุดเขาก็ได้บรรลุมากผลนิพพานกันผลหล น, น, นี้ก็จะเป็นของพวกเรา ถ้าเรายึดบุคคลเหล่านี้ที่ได้มักผลนิพพานแล้วมาเป็นตัวอย่างของเราเป็นผู้นำทางของเราเดินตามรอยของเขาเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับเขาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแ ก, ะกะะ่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ความคิดเราเป็นเหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนรถวิ่งลงเขาพุโทโธก็เหมือนการแตะเบรกถ้าเรามีการพุโทโธบ้างแบบความเร็วของความคิดเรามันก็จะช้าลงน้อยลงแต่ถ้าเราไม่มีพุโทโธเลยมันก็ยิ่งคิดมันก็ยิ่งคิดใหญ่เหมือนกับเหมือนกับรถวิ่งวิ่งลงเขาก็ยิ่งวิ่งเร็วใหญ่พอจะเบรกเวลาจะเข้า เบรกก็หยุดเบรกไม่อยู่เวลาจะมานั่งสมาธิมันก็ไม่หยุดอพราะเราไม่ค่อยแตะเบรกไว้เรื่อยๆอย่างวิ่งลงเขาเนี่ยเราไม่แตะเบรกดเลยพอไปถึงตรงวงเวียนจะเลี้ยวขวานี่เลียวไม่ได้เบรกไม่ได้เเหมือนจะพุ่งตรงไปเลยะ แต่ถ้าเราทำงานเราก็คิดเรื่องงานพอไม่มีเรื่องงานจะต้องคิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปแตะเบรกไปเรื่อยๆมันก็ทำให้ความคิดมันอยู่ในกรอบไม่คิดมากจนเกินไปแต่ส่วนใหญ่พอทำอะไรนี้มันจะผูกพันกันคิดกันต่อเนื่องเป็นเหมือนดึงอ่ะเว อ่ะไรที่มันโหนห้อยกิ่นมาจับ ก, กิ่นนั่นก็ไปต่อกิ่นนี่กิ่งนั่นก็ต่อไปไปได้เรื่อ ย, อ, ยอ่ามันมีเรื่องให้ต่ออยู่เรื่อ ย, อ, ยอันถึงบอกว่าทําอะไรก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่จําเป็นจะต้องคิดเรื่องอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปมันก็จะทําให้ใจว่างใจไม่คิดมาก เวลาจะนั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายเข้าสู่ความสงบได้เลยได้ง่ายได้เร็วแต่ถ้ามันยังคิดอยู่นั่งพุโทโธไปสองคำมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแล้วก็กลับมาพุโทโธอีกคำานึ่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอยนี้มันนั่งไปเท่าไหร่มันก็ไม่สงบเัราะยังต่อสู้กันอยู่ฝ่ายหนึ่งดึงออกฝ่ายหนึ่งดึงเข้าพุโทโธดึงเข้าความคิดตัหาความอยากดึงออกมันก็เลยไม่ไม่สงบ เดี๋ยวถ้าพุโทโธไม่ชนะความคิดมันก็สงบไม่ได้พุโทโธมันเป็นสำคัญสติมปนสิ่งสำคัญนะเนะนะข้ามาเดี๋ยวจะให้พอนก่อนนะเผื่อใครที่เ็าอยากจะกลับจะได้ไม่ต้องรอนาน ยาถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเเมวะสมิจโตสพเภปุเรนโตสังกปะจันโทปนณราโสยาถามณิโชติ ระสอญาทสพิธิโยวิวัจจันตุสัพรโควินาศตุมาเตภวะตวันตารายยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสิลิสะนิจังวุธาปจายโนยะตาโรธมรมวัทานติอายุวันโนสุขางาลั เหมือนกับไหว้เจ้าไหว้เสร็จแล้วก็ไหเสร็จแล้วก็งังราโอเคกตายเป็นนามวิเศษกันคําเชื่อเชื่อแบบไม่มีเหตุมีผล เวลาไม่สบายก็ทำบุญคิดว่าทำบุญแล้วจะหายจากไม่สบายคนที่เขาทาไม่สบายก็ไปหาหมอหายกันเยอะแยะนะก็ไม่ได้ทำบุญขนาดภาพไม่สบายยังต้องไปหาหมอเลย ไม่ดูเหตุดูผลกันเลยเอาความเชื่อเชื่ออะไรก็เอามันอย่างนั้นความอยากอยากให้หายอมันหายไม่หายมันไม่อยู่ที่ทำไม่ทำหรอกมันก็โรคมันก็เป็นแข่งกัน่ะบางโรคมันไม่ทำอะไรมันก็หายได้เป็นแล้วก็หายได้บางโรคทำแล้วรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หาย มันโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายเพราะมันอยู่ที่เรื่องของโลกมันเรื่องของร่างกายเรื่องของทําบุญมันเรื่องของจิตใจเอทําบุญนี้เป็นการรักษาใจทําใจให้สบายเช่นกล้จะตายก็มีสมบัติเยอะบ่อยจากไปทําบุญไปมันก็รู้สึกเบาอกเบาใจไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงสมบัติชิ้นนี้มันก็สบายใจ ยังไม่ได้ทาบุญมันก็ยังคิดอยู่นั่นตายไปใครจะเอาไปใครจะไปก็ไปเออเ้จะไปอยแล้วเาไม่อยากไปเไม่แน่ใจจะไปดีดีเขาก็เลยทำรองทแล้วเดีาาก็มาอองไปไปอะไรันก็เออกมาไปเขาก็ยีใจแต่สิงหวังอยู่แล้วว่าจะได้ไปออ <c oughs> ท่านก่อนได้คุยถึเรื่องที่เป็นคริสเตียนนะท่านเราพูดถึงเรื่องเขาเป็นจริงจริงเขาเป็นพุทธมาตั้งแต่เด็กเด็แล้วมาเปลี่ยนเขาบอกว่าที่เขามาเป็นพุทธเพราะว่าเขาไปเจอพระไม่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเชื่อที่ไม่แบบไม่ไร้เหตุของควเชื่อที่ท่านจันพูดแต่ว่าไม่เพาไม่มีศรัทธาต้องความเชื่อชาวพุทธโดยเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านจาันเรียนนม ทำบุญี้วยคิดว่าจะหายป่วยชาเพื่อเราส่วนใหญ่ห่างไกลจากคำสอนมากเชื่อกันมาตามตามสอนกันมาแบบผิดๆก็เลยเชื่อกันไปของผิดเลยกลายเป็นของถูกไปของถูกเลยกลายเป็นของผิดไปอปันออนี้ถึงบางทีมาแก้ยากแก้ความเชื่อที่ผิดนี่ยากไม่จ้าที่ถี การทำแท้งหรือ mm ก็ก hmm. ็ทำลายสิ่งที่ม mm ีช hmm. mm ีวิตใช่ไหมก็เป็นก็บาปเหมือนกันเน่เพราะว่าเป็นการทำลายชีวิตเหมือนกันเนี่ย ที่เขาทำแทงนี่เข้าใจว่าเป็นพิษไม่ที่เป็นพิษที่เป็นพิษจะทําแทงไปเนี่ยคิดว่าคือว่าพิษการที่เป็นคันเป็นพิษอาจจะกระทบถึงตัวเองเหรืออะไรนะคือคือว่าทําทําเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองก็บาปเหมือนกันนะก็เหมือนฆ่าคนอื่นเพื่อรักษาชีวิตตัวเราเองมันก็ยังบาปอยู่ มันก็ต้องมีเจตนาแหละถึงจะทํำของใช่ไหมแต่ว่าเหตุที่ทําให้มีเจตนานั้นมันเป็นเหตุที่เออาคนเราไปยิงนกตกปลาก็เพื่อจะรักษาชีวิตเราเหมือนกันแม่ถ้าเราไม่มีไม่มีอาหารกินเราก็จะตายเราก็ไปยิงนกตกปลาเพื่อมากิน อันนี้ก็เหมือนกันเราฆ่าสิ่งที่อยู่ในท้องเราเพื่อจะได้เราจะได้ไม่ตายมันก็แบบเดียวกันแต่ถ้าฆ่าเชื้อโรคนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าเนะเพราะก็ไม่ถือว่าเ ช, ชื้อโรคนีหมอนเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับร่างกายเหมือนกับเด็กที่อยู่ในท้อง เชื้อโรกนี้เขาคิดว่ามันเป็นเหมือนต้นไม้เป็นแบบสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณคิดดูถ้ามันมีวิญญาณแสดงว่าในตัวเราเนี่มีวิญญาณในกรเรกมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณ <c oughs> เช่นต้นไม้ใบหญา้าในสมัยก่อนนี้คนไม่รู้บางคนไม่รู้ก็คิดว่าต้นไม้ใบหญ้ามีชีวิตเหมือนคน งันเวลาพระไปเด็ดใบไม้ก็หาว่าพระไปฆ่าสิ่งที่มีชีวิตเ่ยจึงมีพิธีที่ต้องให้จึงมีข้อห้ามให้พระตัดไม้ตัดติ่งไม้ตัดต้นไม้เพราะว่าชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นการทำลายชีวิตเป็นการฆ่านักบวชก็ถือศีลไม่ให้ฆ่าเห็นถ้าไปตัดใบไม้แต่ไปตัดต้นไม้นี่ก็ถือว่าไปฆ่าทำผิดศีล พระเลยห้ามพระพุาเลยห้าไม้พระพพตัดต้นไม้ตัดเก่งไม้เวลาจะทำจำเป็นจะต้องทำก็ให้พูดเป็นกัปปิยะวาจาบอกให้แกศรัทธาญาติโยมแต่สั่งไม่ได้สั่งให้เขาทำก็บาปเหมือนกันทำเองก็บาปเหมือนกันแต่ถ้าพูดเป็นกัปปิยะวาจาเช่นพูดออกอุบายว่าเออต้นไม้ต้นนี้มันมีปัญหานะต่อไป ถ้าลูกศิษย์ลูกหาฟังแล้วเข้าใจก็จะอาสาเป็นคนตัดให้ทำให้ดือของเขียวที่ยังไม่ตายที่เอามาทำเป็นอาหารเช่นพริกมีเมล็ดอยู่อย่างนี้พวกผลไ ม, ม้ส้มมีเมล็ดอย่างนี้เมล็ดนี้มันยังเป็นสิ่งที่ก็าถือว่ามีชีวิตอยู่เพราะถ้าเอาไปปลูกมันก็ยังขึ้นได้ดังนั้นถ้าเกิดถ้าฉันเอาไปเคี่ยวไปฉันไปเคี่ยวถูกเมล็ด ทำให้มเมล็ดนั้นตายไปแตกไปก็ถือว่าทำบาปดังนั้นเวลาถวายของที่มีของเกี่ยวของที่ยังขึ้นได้เขาจึงต้องทำพิธีกับเปียเทียนพระถามว่ากับเปียงการโ oh รฮิหมายความว่าทำให้สมควรแก่การบริโภพวกหรืออย่างญาติโยมก็เอามีดมาตัดหรือเอาเด็ดหักใบไม้หรืออะไรทั้อย่างชเช่นพวกผักก็หักมนันหน่อย แล้วก็บอกกับปิยะพันเตเราว่าสมควรแก่การบริโภคแล้วคือข้าพเจ้าทําให้มันตายแล้วท่านไม่ท่านท่านไม่ได้ทํามันแล้วมันตายแล้วทีนี้ท่านบริโภคได้แล้วก็วมหมายว่าอย่างนั้นีที่ต้องทํากันในอดีตเขาก็ทําแต่เขาไม่ได้ทําต่อหน้าแล้วเขาเขาเข้าใจกันอย่างในภาคกลางนี่เวลาเราจะทำเอาเอาบ่อ อะไรพวกผลไ ม, ามา้ถวายพระเราจะหั่นออกเป็นชิ้นๆเอาเม็ดออกให้หมดเนี่ยคนเราก็ไม่รู้เพราคิดว่าพระขี้เกียจนนคุณต้องให้โยมโยมทำให้ทุกอย่างจะได้กินง่ายๆแต่ความจริงก็เพื่อที่จะกลับทำกัปปิยะไปในตัวต่ทางสายพระป่าท่านว่าไม่ทำอย่างนี้แล้วคนไม่เข้าใจไม่รู้ ก็เลยให้ทําต่อหน้ากันเลยเลวลาเอาของมาถวายก็ให้ทําต่อหน้าถามกันต่อหน้าว่าเอกับเปียงกัโรหิตทากับปิยะหรือยังญาติโ ย, ยมก็เอามีดมาฟันหรือเอามือหักต้นไม้ไอ้ใบอะไรผักเผือกอะไรที่มันยังขึ้นยากเช่นผักชีอะไนี่ก็หักมันท่าหน่อยแล้ ว, วากับปิยะพันเตอผลไม้ ก, ก็ปอกเปลือกสักหน่อยก็ได้ส้มก็ปอกเปือกมันท่านหน่อย แล้วก็กัปปิยะพันเตได้ทํากัปปิยะแล้วฉันได้แล้วตายแล้วอะไรเงี้ยเป็นของตายแล้ววิธีทําก็ถึงแม้มันเยอะเราก็เอามาให้มันติดติดกันแล้วเราก็ทําอันเดียวแต่ย้ายกออกมาเป็นเอกเทศให้มันอยู่ติดกันแล้วทํามันแต่ว่าทําเป็นกลุ่มไปทีเดียวแต่ถ้ายกออกมาเป็นเอกเทศชิ้นเดียวอย่างเงี้ยแสดงว่าทําชิ้นเดียวแล้วพวกนั้นยังไม่ได้เราเลยต้องให้วางติดกันอ <laughs> แต่ครามจริงจะทําให้ทํามันก็ไม่มันไม่บาปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเนื่องจากเราอยู่ในสังคมที่มีนานาจิตตังมีความเชื่อต่างกันเขาเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่เราก็ไม่อยากจะไปถกเถียงกับเขาเราก็เราก็ทําอย่างนี้เพื่อให้เขาสบายใจว่าเออได้เขาได้ค่าเขาแล้วเขาตายแล้วถ้าเป็นเหมือนอาหารก็ เนื้อก็เอาไปทำให้มันสุกแล้วเนื้อดิบนี่ก็ไม่ได้นะยังมีเลือดอยู่นี้ก็ไม่ได้ไข่นี่ถ้ายังยังไม่แข็งนี่ก็ไม่ได้ไข่แดงถ้ายังยังเป็นเป็นยวงอยู่นี้ก็ไม่ได้ต้องให้มันแข็งถึงจะถือว่าเป็นของของสุ<า>กอืออือแล้วพวกสลัดคลีหรือว่าที่เขาเป็นหีไข่ขาวอนะไรย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันไีอันนั้นก็ไม่รู้แหละ เพาะมันสมายนั้นมันไม่มีบางอย่างก็อยากไปฉลาดจนกันไปไม่ใช่ไหมฉลาดแล้วโอดอยากไปฉลาด <laughs> <laughs> <laughs> โง่มากถ้าชาบ้านก็ไม่ทัก <laughs> เขาไม่ทวงก็ เราไปสดใช้ก็จะลังแล้วยังได้กินอะไรไม่ได้เลยนไปเสี่ยงคีีบางอย่างก็ไม่ใส่ไข่นะคนนี้เป็นหรอบางคนส่วนใหญ่ก็ไปซื้อมาไม่รู้หรอกอะไรการทำคงว่าทําไว้ก็ดีนะคนรุ่นหลังจะได้รู้เหตุรู้ผลว่าทำไมมีเหตุมาอย่างไงใแต่บางทีของที่เขาผลิตมานี่มันยากต่อการที่จะไปสืบสอบว่ามีอะไรผสมอยู่ในนั้นบ้างทำเออ อย่างนี้ก็เสียว่าแข็งเกินไปไม่ไมยึดทางสายกลางเอาทางสายกลางเอาเท่าที่เราเรารู้ก็แล้วกันที่ไม่รู้ก็ทําเป็นไม่ไม่รู้ไปสิเพราะถ้าสงสัยแล้วทําไปก็ผิดแต่แม้ไม่ไม่ผิดแต่สงสัยทำมันก็ผิดเออางั้นอย่าไปสงสัย <laughs> ไม่รู้ไม่ชี้ซะบ้างอันนี้ยงซื้อมาก็ไม่รู้ไงเราซื้อมาทำเปยังไงใช่เดี๋ยวก็เป็นเป็นปัญหาตั้งอยู่เนี่ยกินไม่ได้ฉันก็ดีครับมีโยมสงสัยว่าการถ่ายพยาธบาปไหครับก็อย่างที่ว่านพยาธินี่ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือเปล่าเรือหรือมีวิญญาณหรือเปล่าที่ว่าส่วนใหญ่สิ่งที่อยู่ในร่างกายเรานี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีวิญญาณนะิพยานนี้มันไม่ทราบว่ามันอยู่แบบพวกตัวหนอนหรือเปล่าตัวนอนนี่มันมีวิญญาณหรือไม่มีก็ไม่รู้อันนี้มันก็ไม่ทราบเหมือนกั น, นเพราะไม่ได้ศึกษาเมื่อถ่ายนิพยญญานนิพยานตาย ออกมาเรื่องตายนะก๊าใส่เ็มั้น้นนีนะเมันน้นีนะตามาตายอเลาตาย่อกมาเนาะี่าซี่ี่าซีสมาเอาอเรือว่าลงที่อม่คลิปวิดีโอหน้าเหรอนกลัวนะน่าเ อาจารย์ครับขอขอพระอาจารย์เมตตาขยายความคําถามจากทางเฟรดบุ๊กนะครับ <Ừ. S 1> ที่เขาถามว่าเขาจะไปทํางานกับบริษัทยักษ์ใหญ่แต่ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาค่าจัดเพื่อทําธุรกิจนะครับก็แต่เขาไม่ได้ทําในแผนค่าหรือเลี้ยงแต่เป็นแผานานิติกร อ, อย่างนี้ถือว่าบาปไหมครับเราก็มีส่วนที่ได้รับผลประโยชน์จากการที่ค่า ม, มันก็มันก็มีส่วนร่วมด้วยอาจจะไม่ได้โดยตรงเช่นเราก็ไม่ได้เป็นคนสั่งเราไม่ได้ทำเองถ้าจะถือหลักว่าทำเองก็ดีสั่งให้ก็ททำก็ดีถ้าเราไม่ได้สั่งเราไม่ได้ทำนี้มันก็ไม่บาปแต่ว่าถามว่าเป็น อ, อมมาชีพหรือไม่มันก็ไม่เป็นเพราะมันไปทำให้ชีวิตของผู้อื่นต้องตายไปจากการ ทำอาชีพยอย่างนี้เช่นการค้าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายถึงแม้เราไม่ได้เป็นคนฆ่าเองเสร็จแล้วเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เสร็จแล้วก็มีคนมาซื้อไปเขาจะเอาไปทําอะไรเราก็ไม่รู้บางทีเขาก็เอาไปเลี้ยงต่อบางทีเขาก็เอาไปฆ่ า, าไปขายต่อการกระทามาทีพ่แบบนี้ท่านก็ว่าไม่ควรที่จะกระทําแต่มันไม่บาปมันเป็นวิชาที่มันไม่เป็นสัมาชีเพราะมันไปส่งเสริมการ ทำให้ชีวิตของผู้อื่นต้องต้องเดือดร้อนจากกา ร, ร, รทำอาชีพของเรา <c oughs> แต่ไม่บาปยังไม่ถึงกับขั้นปานาติบาเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้สั่งให้เขาฆ่ า, าแต่เราทำให้ให้เขามีโอกาสได้ฆ่า <c oughs> เขามาซื้อจากเราแล้วก็ <c oughs> ก็ไปฆ่าอีกทีหนึง่ง <c oughs> เราก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นไป ฉันจะว่าบาปน้อไม่บาปแต่จะว่าเป็นสามาชีพหรือไม่ก็ไม่เป็นล็อกแบตบ ก, แบบก็เลยพองไปนิดหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์ไงแบบคือถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงพอเราให่เราคิดถึงหัว อ, อกของสิ่งที่มีชีวิตอว่าเขาก็ไม่อยากจะถูกเอขายไปเพื่อให้ถูกค่าถ้าเราถ้าเราเป็นสิ่งนั้นเราก็อยากจะ อยู่อย่างมีความปลอดภัยอยู่ไปอย่างสบายแต่ถ้าเราเป็นสินค้านี่เราก็ชีวิตของเราก็สั้นพอเลี้ยงมาเราพอเราโตโอ๊เขาก็เอาไปฆ่าถ้าเกิดก็มีการสมัยนี่ก็มีการค้ามนุษย์กัน แต่ก็ไม่ได้เอามนุษย์ไปค้าเพียงแต่เขาเอาไปทําผิดประเพณีอันนี้ก็ไปทาสร้างความทุกข์ให้กับบุคคลที่ถูกซื้อขายหรือสมัยก่อนก็มีการค้าทาสกันก็เอามนุษย์เนี่ยค้ามนุษย์เนี่ยเอามนุษย์นี้ค้าเหมือนกับเป็นวัวเป็นควายเอาไปเพื่อที่จะเอาไปใช้งานการต่างๆเราคิดถึงถ้าเราต้องเป็นทาสบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรเราคิดอย่างนั้น เราเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราก็อยากทาอย่างนั้นกับผู้อื่นเพราะถ้าเราทํากับผู้อื่นอย่างนั้นต่อไปปลายภาคหน้าเราอาจจะกลับมาเป็นอย่างนั้นก็ได้ถูกผู้อื่นก็ทํากับเราก็ได้ <c oughs> คือการกระทําเหล่านี้ถือว่าขาดความเมตตาไม่ได้คิดถึง อ, อประโยชน์สุขของผู้อื่นคิดแต่ประโยชน์สุขของตน ผู้อื่นจะเดือดร้อนจากการที่ตอนเองได้ประโยชน์ได้ความสุขนี้ไม่สนใจอันนี้พระอาจาย์ถึงสอนว่าให้มีความเมตตาให้มีความเมตตาก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นการค่าชีวิตการค้าสิ่งที่จะไปทําลายชีวิตนี่ถือว่าเป็นการส่งเสริมการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นค้าอาวุธอย่างนี้ค้า สิ่งที่เอามาใช้กับการดักสัตว์ฆ่าสัตว์ต่างๆอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรค่าหรือซคาสารพิษต่างๆที่เอามาทําลายชีวิตนี้หรือค้าอาวุธเอหรือค้าสุรายาเมาอันนี้ก็ทําให้ผู้เสพสุรายาเมานี้อไม่มีสติแล้วก็จะไปทำํำร้ายผู้อื่นได้ ทำเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นได้เช่นการดืม่มโซราแล้วขับรถเมาขับรถก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุทําให้ผู้อื่นต้องเสียชีวิตหรือพิการไปได้อันนี้ถ้าไม่มีการดืม่มโซราไม่มีการขายสซราอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถขณะที่มึนเมามันก็จะไม่มี การดื่มโซดาแล้วก็มีการทะเลาะเบาแวงมีการทุบตีมีการทํทาทร้ายกันบางทีก็คนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะต้องรับผลสามีดื่มโซดาเมาม า, ออ ก, มากลับมาก็อาลวาดอย่างนี้ถ้าไม่มีการดื่มไม่มีการค้ายโซรามันก็จะไม่มีเรื่องราวแบบนี้ตามมา เช่นสังคมในวัดนี่ไม่มีการเดือบโชลาก็จะไม่มีคนมึนเมาไม่มีคนทุกตีกันเนเวลาเราทำอะไรที่เราได้รับประโยชน์ก็ต้องเราก็ต้องถือว่าเราก็มีมีส่วนในการที่ทำให้ให้สิ่งที่ที่เกิดโทษนั้นเกิดขึ้นมา ถ้าเราเด็กเลี้ยงได้เราก็ควรจะเล็กเลี้ยงถ้ายังเล็กเลี้ยงไม่ได้มันก็แล้วแต่เราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะรักษาชีวิตของตนไว้เลยจะยอมทำทาทำลายชีวิตของผู้อื่นเพื่อให้ตนเองอยู่รอดถ้าเรามีคุณธรรมสูงเราเรายอมเสียชีวิตดีกว่าที่จะไปทำลายชีวิตของผู้อื่นใจของเราก็จะสูง อย่าน้อยก็เป็นมนุษย์เป็นเทพแต่ถ้าเราคิดไปในทางว่าเราต้องเอาตัวของเราให้อยู่ให้ได้เอาตัวเราให้รอดคนอื่นจะตายก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้ก็จะคิดแบบเดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็อยู่การอยู่ของเขาเขาอยู่ด้วยการฆ่าผู้อื่นสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเห็นถ้าเราอยากจะมี คุณธรรมที่สูงมีจิตใจที่สูงขึ้นเราก็ต้องยึดหลักศีลธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นรักษาศีลห้าละเว้นจากมิจฉาชีพต่างๆอาชีพที่ไม่เป็นสัมมาชีพก็อย่าไปทำมันก็อย่างที่พูดนะว่าจินตรุรีมันมีวิญญาณหรือเปล่า องนี่ก็ไม่มีใครมาพิสูจน์ได้ว่ามีหรือไม่มีนั้นถ้าไม่รู้ก็ทําเป็นไม่รู้ต่อไปนี่ข้นใจลงไปรู้มากมันก็จะเกินโดยถ้าสงสัยทําไปนี่นก็บาปแล้วก็ผิดแล้ว ต่าเราเนผ้แล้วใเขาเช่าเขาเป็นาไปทำบอก่าจะเป็นผ้ี่ก็ตอนที่เขาเช่าเขาบอกเรารอเปล่าถ้าเขาไม่ได้บอกเราเราไม่รู้นี่เขาไปทำนี่ก็เป็นเรื่องของเขาเเป็นหมู่คณนะคะใ ชอบหรือเปล่าเนะียเรารู้วร า, วาอบหรือบปล่าชเชียวระดับหลยคนขอพวกนี้บางทีมันก็ลาบากเพราะบางทีเราเช่าแล้วเขาไปทำร้านอาหารแล้วเขาก็เอาปลาไปอ่านขานเออ หรือของบางอย่างถ้าเราไม่มีเจตนาโดยโดยโดยตรงนีอแล้วมันเกิดขึ้นเพราะการกระทาของคนอื่นอันนี้เราก็อยู่ที่จิตสาำนึกของเรากันแล้วกันถ้าเราอยากจะบอยสุดผุดผ่องก็ยกให้เขาไปเลยไม่ต้องเอาอะไ ร, <c oughs> รเลิกสัญญาให้เขาไป ถึงบอกว่าถ้าอยากจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ไปบวชเถอะถ้ายังเป็นฆร า, าวาสอยู่เนี่ยมันก็มันก็ต้องมันยากต่อการที่จะรักษาศีลให้สาดบอยสุดได้เหยือ่อยาพ า, ามาเป็นผู้ตัดสินด้ว่นี่นะเขาเป็นจักรเป็นรันตี ถ้าอยากจะรักษาศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ก็มาบวชเลยถ้าอย่างนักพี่เสียดายน้องอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปอย่างนี้แหละจะบอกท่านจำไม่มีที่ให้เช่า พอแล้ว ย, ยังหมดปัญหาแล้วนะไว้โ อ, อกาสหน้าค่อยมามาอีอะไรถามพ่อมีไหมไม่มีน ะ, ะ<อ>เดี๋ยวเราคุยกับพระเยอรมันและพระเซนก็โปรก็ได้นะเดี๋ยวเข้ามาเงก็โอกาสหน้าค่อยพบกนนันใหม่